บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนยะแห่งวิสุทธิเจ็ดคือทางแห่งความบริสุทธิ์หรือทางหมดจดนั้นเป็นในแสดงธรรมะที่เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันและสนับสนุนกันโดยเริ่มต้นมาจาก ศีล ว, วิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจุดแทงศีลคือการที่บุคคลจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามรักษาศีลของตนไม่ให้ขาดไม่ทะลุไม่ให้ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาด้วยอำนาจตันหามานะและทิฏฐิมีความโน้มน้อมไปเพื่อสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิต ในชั้นนี้ถือว่าเป็นจิตเป็นสีลวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งสีลเมื่อสีลบริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นฐานให้เกิดจิตวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งจิตได้แก่การปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับซึ่งในจุดของสมถกรรมฐานนั้นแม้จะทรงแสดงอารมณ์ไว ถึง40อารมณ์แต่ว่าใช้ปฏิบัติในเบื้องตน้นเพียง36อารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้เมื่อเกิดความสงบแล้วลักษณะของความสงบที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสมาธิและเป็นฌานมาโดยลำดับต่อแต่นั้นก็ชื่อว่าเป็นบาทให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นวิปัสสนากรรมฐาน จึงมีอยู่สองสายด้วยกันสายแรกเป็นสายที่เริ่มต้นมาจากสมถะก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาทีหลังท่านเรียกสายนี้ว่าสมถะญาณิกหรืออาศัยสมถะเป็น ญ, ญาณไปก่อนอีกสายหนึ่งนั้นสมบผู้ที่มีสติปัญญาแหลมคมจริงๆไม่ต้องอาศัยสมาธิมากนัก ก็ยกจิตขึ้นสู่สระไซรั์พิจารณานามรูปไปเห็นความจริงตามประไซรักษ์ได้ที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณิกคืออาศัยวิปัสนาเป็นญาณที่จะนำบุคคลไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายในชั้นของทิฏฐิวิสุทธ์ความหมดจดแห่งศีลจึงจึงเป็นเรื่อง ของวิปัสสนากรรมฐานที่เริ่มมาจากจุดนี้โดยต้องการที่จะสร้างปัญญาความรู้เห็นตามเป็นจริงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเพราะตัวทิฏฐิคือความเห็นนั้นเป็นตัวกำหนดบทบาททั้งการกระทำคำพูดและความคิดของคนเอาไว้หากว่าทิฏฐิของคนมีความถูกต้อง ที่เรียกว่าเป็นสมาธิทิฏฐิแล้วกุศลละธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญเพิ่มพูนขึ้นมาได้ก่อนที่จะพูดในชั้นซึ่งจะเป็นบันไดแห่งทิฏฐิวิสุทธ์ก็ควรจะนึกถึงพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงถึงทิฏฐิสองประเภทที่รับสั่งว่า ทิฏฐิประเภทหนึ่งทาให้เกิดการลาหลังทิฏฐิประเภทหนึ่งก็เลยข้อเท็จจริงไปทิฏฐิประเภทที่ทำให้เกิดความล้าหลังนั้นก็คือเรื่องของสัตจะทิฏฐิได้แก่การมองเห็นโลกและชีวิตเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนความเห็นประเภทนี้บางพวก ก็ยึดมั่นถือมั่นไปในสายตรงเลยว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นแยกมาจากส่วนสำคัญที่เรียกว่าปรมาตมันแล้วจุดหนึ่งจะเข้าไปอยู่รวมกับปรมาตมันอีกคนเราเกิดมาเป็นคนตายไปก็เป็นคนรูปร่างหน้าตาอย่างไรตายไปก็จะเกิดเป็นอย่างนั้น หมุนเวียนกันไปจนกว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์และจะเข้าอยู่รวมกับปรมาตมันนี่เป็นการมองปัญหาแนวหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าความคิดเห็นของคนเริ่มมาจากจุดนี้ความเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติความดีเสริมสร้างกุศลแลธรรมในด้านต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จะสร้างไปทำอะไรคล้ายๆกับมีคนบอกว่า คนรวยก็ต้องรวยอยู่อย่างนั้นคนจนก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงการจะทํางานเพื่อรักษาสถานะก็ดีเพื่อเสริมสร้างสถานะก็ดีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไปะยอมรับว่าไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วซึ่งข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างในระดับที่ลดลันลงมาเช่นการที่บุคคลยอมสยบอยู่ตามอํานาจของดวง ของโชคเคราะหรือคำทำนายต่างๆแล้วก็ปรับใจยอมรับความจริงซึ่งตนคิดว่าจริงไว้เป็นการโลกหน้าไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรในที่สุดเรื่องที่ไม่ควรเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้ความคิดในแนวนี้จึงให้เกิดภาวะจะงักงนันในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเพราะมองเห็นว่า ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรคิดมาได้อีกแนวหนึ่งนั้นมองในรูปของมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงด้วยอํานาจปัจจัยภายนอกเช่นการดนบันดาลการช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นคนเหล่านี้พร้อมที่จะลงทุนเพียงเล็กน้อยด้วยการบวงสวงอ้อนบอลขอร้องกราบไหว้สิ่งที่ตนคิดว่า จะมีอำนาจในการดลบรนดาลให้การเวลาที่ผ่านไปจึงผ่านไปในลักษณะงงงายความเครีาดด้วยประการต่างๆความคิดทั้งสองแนวนี้เมื่อออกมาในเชิงพฤติกรรมดังกล่าวจึงกลายเป็นความล้าหลังไม่สามารถที่จะเสริมสร้างความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาได้ทิฏฐิอีกสายหนึ่งจึงทรงแสดงว่าเลยไป คือเลยขอบขายของมัชชิมาปฏิปทาที่เป็นความเห็นสายกลางเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไปนั่นคือความเห็นที่เป็นอุดเฉติทิจิคือมองทั้งความดีความชั่วชีวิตสังสาระเป็นของขาดศูนย์ไม่มีอะไรเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นจบสิ้นกันอยู่ที่เชิงตะก่อน ควาเห็นในแนวนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระรหันต์กับมหาโจรก็มีค่าเท่ากันเพราะตายแล้วก็จบสิ้นกันโอกาสที่คนประเภทนี้จะสร้างความดีปฏิบัติพัฒนาจิตใจตามหลักของวิสุทธิ์ทั้งเจ็ดประการก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมองไม่เห็นว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาเนื่องจากก็จบสิ้นกันอยู่ที่ตาย ชีวิตของพระห า, ก น, า, หานก็จบสิ้นที่ตายหมาโจรก็จบสิ้นที่ตายความเห็นประเภทนี้จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีอันตรายต่อการปฏิบัติพัฒนาจิตใจเป็นอย่างมากเพราะเขาจะไม่ยอมทำอะไรใดนอกจากสแสวงหาความสุขไปในแต่ละวันจนกว่าชีวิตจะดับสิ้นไปแล้วก็ถือว่าจบกันแม่ผลต่างๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของตนทางด้านดีและด้านไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ามาหาเหตุซึ่งตนดได้กระทาได้ก็มองเห็นผลเหล่านั้นเป็นรูปของความบังเอิญความเหมาะเจาะเท่านั้นเองแนวความคิดสายนี้ยังมีออกแนวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการสูญไปบางสิ่งแต่บางสิ่งไม่ได้สูญไปซึ่งมีการอธาาิบายกันด้วยประการต่าง แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าไอสิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้นจะไปไหนจะไปเกิดเป็นอะไรหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องอาศาัปายปัจจัยภายนอกมีพระเจ้ามีเทวดาต่างๆเป็นต้นการปฏิบัติถ้าททหากว่าพึงมีสมบกบคนประเภทนี้ก็คือประจบเอาใจเทพเจ้าที่ตนเข้าใจ เรสามารถโดนบันดาลในสิ่งที่ตัวต้องการให้ได้ความคิดทั้งสองประเภทนี้พระพุทธเจ้ามักจะทรงแสดงไว้ในกรณีของความเห็นในที่ต่างๆเพราะเป็นเรื่องของสุดตรงสองสายซึ่งไม่ได้ดำเนินไปในหลักของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนได้สัจสรูมาแล้ว ประเภทแรกก็ทาให้ล้าหลังประเภทที่สองก็เลยจุดหมายปลายทางไปข้าวในธรรมนองที่เรียกว่าประเภทแรกทำบุญไม่ถึงบุญประเภทที่สองทำบุญเกินบุญหรือทำดีเกินดีเลยไม่ได้ดีทั้งสองฝ่ายหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั้นจึงเป็นการหลักปรับใช้ปัญญาพัฒนาปัญญาให้มองปัญหาที่ปรากฏอยู่ในโลก ที่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นภาพอย่างหนึ่งได้ยินด้วยหูธรรมดาเป็นเสียงอย่างหนึ่งในสูดดมด้วยจมูกเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งเป็นต้นแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ขบเจาะลงไปในจุดนั้นๆจนเข้าใจถึงความจริงที่แท้จริงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงทั้งสองชั้นคือชั้นสมมติสัจจะ ความจริงแบบสมมติกันแบบโลกกะโวหารกระโวหารของชาวโลกโลกกระนิรุตภาษาของชาวโลกโลกกระสัญญาการกำหนดหมายของชาวโลกไม่ทำตัวเป็นคนขวางโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยึดมั่นไม่ติดอยู่ในรูปแบบความคิดแบบชาวโลกเป็นลักษณะของจิตใจที่พัฒนาขึ้นไป อยู่ในจุดที่สูงสามารถมองลงมาข้างล่างได้อย่างละเอียดลึกซึ้งซึ่งจุดที่จะต้องฝากฟันออกไปก็คือเรื่องความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงในหลักแห่งสัจธรรมซึ่งทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าวิปัลลาดแปล ว, ว่าความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากหลักสัจธรรม ซึ่งโดยสรุปแล้วความเห็นของชาวโลกจะอยู่ในขอบข่ายของสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามโดยสภาพว่าเป็นของสวยงามจึงมีการกําหนดหมายเกิดขึ้นซึ่งอายตนะภายนอกได้แก่การกําหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจะต้อง เมื่อมีการกำหนดหมายอยู่บ่อยๆจะนำเรื่องนั้นมาปรุงคิดมาคิดปรุงเป็นการเพิ่มคุณค่าความสวยงามความไพเราะความหอมความอร่อยความน่าจับต้องของสิ่งนั้นให้สูงขึ้นภายในจิตและในที่สุดจิตก็ตกเป็นทาสของความใคร้ความปรารถนาในอารมณ์เหล่านั้นต้องเพียนพยายามวิ่งไล่ตอบสนองความอยาก ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตซึ่งตัวได้สร้างขึ้นมาเองการพยายามตอบสนองความอยากในลักษณะนี้จึงเป็นเหมือนการวิ่งไล่จับเงาเวลาเช้าวิ่งไล่ไปทางทิศตะวันตกโอกาสที่จะทันเงาก็มีไม่ได้จิตใจของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งตนสร้างขึ้นแล้วกำหนดหมายไปดังกล่าวก็มีลักษณะอย่างนั้น ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงถึงสาเหตุที่ให้เกิดความคิดเห็นวิปราชไปนั้นว่าเนื่องจากการก ำ, กำหนดหมายในลักษณะที่เป็นสุภาสัญญาคือว่าสวยเปนงพรพุทธศาสนาจึงสอนอีกมุมหนึ่งอีกฝากหนึ่งให้ดูในจุดเดียวกันนั่นเองแต่ให้ดูแบบอสุภาสัญญาคือการกำหนดหมายหเห็นว่า ไม่สวยไม่งามแต่ประกันได้แต่การที่จะให้เห็นความไม่สวยไม่งามนั้นก็ต้องพยายามเข้าใจถึงตัวเหตุตัวปัจจัยที่เข้ามาประกอบกันของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นจึงมีพุทธศาสนสุภาษิตแนวนี้เป็นอันมากที่ต้องการชี้ให้คนมองโลกในแง่ของความจริงอย่างที่รับสั่ง จำแนกบุคคลออกเป็นสองประเภทใหญ่แล้วมองโลกในจุดเดียวกันว่าจะมีความรู้สึกต่อโลกนั้นแตกต่างกันพระเจ้าจึงเชิญชวนให้บุคคลมองโลกในจุดนั้นและดูบุคคลสองฝ่ายซึ่งมีพื้นฐานทางจิตใจแตกต่างกันว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชจรส ที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่ซึ่งหมายความว่าความวิจิตรการในโลกนั้นมีลักษณะเหมือนกับราชรดแต่คนเขามองราชรถเท่าที่ตนเห็นด้วยสายตาเท่านั้นความวิจิตพิสดารต่างๆที่ปรากฏอยู่ด้วยสายตาก็กลายเป็นเครื่องประทับใจเป็นศินละปะในแง่ในมุมต่างๆ ส่วนท่านผู้รู้ที่ได้ใช้ปัญญาพิเคราะห์พินิษพิจารณาแล้วก็เข้าใจรถคันนั้นเองว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการนำเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันเข้าทัา น, นเมื่อประกอบกันขึ้นก็มีการกาหนดหมายมีการสัญญาเรียกร้องการบรารถแท้แท้ที่จริงแล้วรถนั้นไม่ได้มีอยู่เพราะเมื่อแยกส่วนประกอบต่างๆออกไป บุคคลก็จะหาความเป็นรถไม่ได้จะมีเฉพาะเป็นงอนเป็นดุมเป็นกกงเป็นกรรมอะไรต่างๆของรถสมับสมัยนั้นสมับสมัยนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่เราจะหารถไม่ได้เลยซึ่งลักษณะเหล่านี้ตัวที่ช่วยให้เห็นว่าความไม่มีอะไรอย่างแท้จริงของสิ่งรานั้นมีอยู่ในต้นไม้อย่างหนึ่งในเมืองไทยเรา แล้วคนก็คุ้นเคยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีความเป็นกล้วยอยู่ในต้นกล้วยเหล่านั้นเมื่อจับที่ลําต้นเ <_ S 1> พื่อนก็เรียกว่าหยวกจับที่ใบเขา <_ S 1> ก็เรียกว่าใบตองจับที่ปลี้ <_ S 1> เขาก็เรียกว่าหัวปลี้ไปจับที่ไอ้ลูกกล้วย <_ S 1> เขาก็เรียกว่าเครือเรียกว่าวีไม่มีความเป็นกล้วยอเไรพอปอกออกไปแล้วก็กลายเป็นกาบกล้วย นี่คือสิ่งต่างๆที่เราสมมติบัญญัติกันนั้นต่สอนให้เห็นถึงความจริงว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่อย่างแท้จริงแม้ในตัวของมันเองก็ยังมีสิ่งอื่นเข้ามาประกอบอยู่เป็ น, น, นมากแล้วเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องของกล้วยนั่นเป็นตัวอย่างที่สอนให้เห็นในแนวิปัสสนาปัญญาประการเดียดังนั้นจึงทรง แสดงไว้ว่าเพราะการอาศัยทพัพพระสัมภาระต่างๆเข้ามาประกอบกันการสมมติว่าเรือนว่ารถว่าคนว่าสัตว์ต่างๆก็เกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อแยกย่อยออกไปความเป็นรถเป็นเรือนเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่มีฉ น, นั้นนี่เป็นการมองโลกในจุดเดียวกันแต่พื้นฐานทางสติปัญญาของคนไม่เหมือนกัน จึงเห็นภาพนั้นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าการมองโลกในจุดเดียวกันนี้เองคนผานเห็นความวิจิตรการดุจราชรถแล้วก็ติดอยู่ผู้รู้มองเห็นความวิจิตรการนั้นเหมือนกันด้วยมังสะจักสุคือจักสุคือดวงตาแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านมีตาปัญญาที่เรียกว่าปัญญาจักสุ เข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นท่านจึงไม่ค้่องไม่ติดแต่ในขณะเดียวกัน ร, ราชรสนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นท่านก็ยอมรับถึงความจริงในขั้นสมมติสมรับสิ่งเหล่านั้นเพราะความไม่ค้่องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองคำสอนประเภทที่ต้องการสำรอกความพอใจความสยบติตในสิ่งที่กำหนดหมายดังกล่าวเัน จึงมีอยู่เป็นนั้นมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมทางจิตที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันนั้นจะตกอยู่ภายใต้กระแสของความคิดกาหนดว่าสวยงามนั้นมากเพราะอาการของความโลภปรากฏภายในจิตของคนมากกว่ากิเลสสายเนเนื่องจากกิเลสสายนี้ไม่ค่อยมีลักษณะรุนแรง คนสามารถคิดสามารถเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเมื่อเกิดเพลิดเพลินเกิดจินดีเช่นนี้ก็มีการกำหนดหมายกันเรื่อยไปสิ่งที่เห็นว่าสวยว่า ง, งามเป็นต้นก็จะเพิ่มขึ้นภายในจิตของบุคคลลักษณะของวิปัสสนาจึงสอนให้มองในจุดนั่นเองจุดที่เคยเห็นว่าสวยว่า ง, งามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจนั่นเอง แต่ว่าเป็นการมองโดยใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปขบเจ่ะในอารมณ์เลนั้นอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระจิตตหัตถกะเทระหรือพระยะหรือพระนางรูปปนันธาอาภิรูปปนันธาเป็นต้นทั่นก็ใช้อารมณ์อันเดียวกันนั่นเองแต่มองกันคนละแบบมองกันคนละแง่แง่หนึ่งนั้นมีการกำหนดหมายว่าสวยว่างามนาไปข้างหน้า ก็เห็นเป็นสวยเป็นงามไปคล้ายๆกับว่าเอาแว่นสีมาใสา่เข้าก็มองเห็นไปตามสีนั้นๆทั้ทงๆที่สิ่งนั้นไม่ได้มีสีอย่างนั้นอยู่ลดแต่ในชั้นหนึ่งเป็นการมองด้วยตาปัญญาอย่างพระจิตตะหัตถะต้องหมุนวนบวดสึกบวชสุดเป็นเวลาถึงหกครั้งเจ็ดครั้งประติดอยู่ที่ปัญญาคนเดียว แต่วันดีคืนดีท่านก็มองที่พัญญานั่นเองแต่มองอีกแง่หนึ่งจนมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่สวยไม่งามปฏิกูลของร่างกายพิจารณาเห็นไกลลักษณพัญญาเป็นคนดึงท่านออกมาจากวัดถึงหกครั้งเจดครั้งและในครั้งบวชครั้งที่เจ็ดได้ความรู้จักภัญญาคนนั้นนั่นเองเป็นตัวส่งท่านเข้าไปในวัดอีก และบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหันต์ไปการมองโลกมองชีวิตในแง่ของความจริงและในแง่ของความลวงจึงเป็นการมองในจุดเดียวกันแต่เครื่องมือในการมองในการศึกษาเป็นคนละอย่างกันเท่านั้นเนื่องจากการกำหนดหมายในลักษณะดังกล่าวเป็นการกำหนดหมายกันสองแนว แนวหนึ่งคือกําหนดหมายแบบิมิตได้แก่รวบถือไปเลยกําหนดตรงๆล ง, งไปเลยว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องเมารวบลงไปได้อีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการเจาะ เ, เฉพาะบางส่วนของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่ารูปก็กําหนดที่อวัยวะบางอย่างหรือส่วนบางส่วนของรูปนั้นว่าสวยงาม เสียงก็กำหนดการใช้เสียงบางเสียงเช่นเสียงร้องเพลงเสียงสนทนาเป็นต้นว่าไพเราะกลิ่นหอมก็มีลักษณะอันเดียวกันก็กำหนดหมายเพียงจุดใดจุดหนึ่งแต่จะกำหนดหมายเพียงจุดเดียวหรือกำหนดหมายแบบรวบลงไปก็ตามก็ทาให้ความรู้สึกว่าสวยว่างามเพิ่มขึนภายในจิตใจของบุคคลเรื่อยๆ ซึ่งข้อนี้ผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าความพอใจความยินดีจนถึงสยบติดในอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่โดยอาศัยเชื้อของสุภาสัญญาคือความรู้สึกว่าสวยงามที่มีอยู่ก่อนแล้วก็รับรู้เรื่องเหล่านั้นจนบางเรื่องเป็นเรื่องที่สดสดร้อนๆอนใหม่ๆ ยังสามารถบังคับใจของบุคคลให้สายไปในอารมณ์ดอนนั้นได้วิธีการสอนของพระพุทธเจา้าเพื่อรู้ความจริงในจุดนั้นจึงสอนแบบน้ําบ่งน้ำเมื่อบุคคลมีการรวบถือในอารมณ์ต่างๆว่าส ว, ย, วยงามดังกล่าวก็สอนให้ดูที่อารมณ์นั้นทั้งชิ้นเลยแต่มองด้วยตาปัญญา อย่างที่พระนางรูปปนันธาพระนางอภิรูปปนันธาหรือรูปปนันธาที่ติดอยู่ในรูปมันสวยงามท่านมองสวยงามทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ใช้รูปที่สวยงามนั้นนั่นเองให้ดูอีกมุมหนึ่งโดยตัดกาละคือการเวลาที่ขวางไว้ออกไปก็จะมองจุดของรูปที่อยู่ในวัยสิบห้าสบห มหาจุดว120ัยร้อยี่ิปีด้วยเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้กระแทกพันกระแทกกระทันอารมณ์ของผู้ดูจะเกิดความเห็นถึงความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆเข้ามาขวางเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาการที่กำหนดหมายว่าสวยงาม เป็นแบนสีที่ปิดบังปัญญาเอาไว้จึงไม่ยอมเห็นบางคราวนั้นเมื่อคนไปแยกถือบางชิ้นบางส่วนของสิ่งเหล่านั้นพระ เ, ะเจ้าก็สอนให้มองแบบแยกเช่นเดียวกันอย่างกุลธิดาผู้หนึ่งที่ท่านติดใจพอใจในพระอนุทิระจนถึงตามไปภายในวัน พระเจ้าเรียกมาแล้วสั่งถามว่าพอใจอะไรพระอนุณทาก็บอกว่าตาบ้างบอกว่าใบหน้าบ้างจมูกบ้างแก้มบ้างก็ว่าไปเรื่อยพระเจ้าทรงชี้ให้ดูว่าตานั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างโดยรูปร่างโดยสันฐานโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของดวงตานั้นประกอบด้วยอะไรเพื่อนางหยุดความคิดเมื่อไม่ยอมรับก็เลื่อนไปไแต่ละจุดแต่ละจุด แต่ในที่สุดแม้จะไม่สามารถแก้ไขในขณะนั้นได้แต่ก็เป็นการเพราะเชื้อเหตุผลเพาะเชื้อสติปัญญาขึ้นภายในจิตโอกาสหนึ่งท่านก็เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขึ้นมาได้การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแง่นี้ท่านจึงเรียกว่าวิปัสนาที่แปลว่าความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่มีสิ่งที่เป็นความมืดความบอดปิดบังเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเห็นไปแล้วจะสดแสดงอาการรังเกียจขยะขยะงจนเสียกิริยาบัญญาติไปในชั้นของสมมติการกำหนดหมายสัญญากันถ้าก็ยอมรับในเรื่องหล่นั้นแต่ก็ไม่ได้ไปยึดไปติดอะไรข้าในธรรมนองที่ว่า ท่านซึ่งรู้ความจริงในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นท่านเองนั้นไม่ได้ยึดไม่ได้ติดมีหรือไม่มีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ในขณะที่เห็นคนอื่นเขามีสารพระภูมิมีเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่ไปด่าว่าไม่ไปค่อนแค่ไม่ไปตำหนิตดีเตียงเขาเพราะเข้าใจถึงความจริงความจำเป็นบางอย่างมาตรฐานทางความคิดบางอย่างของคนบางคน ลักษณะของวิปัสสนาปัญญาที่บังเกิดขึ้นในแต่ละจุดภายในจิตของบุคคลจะช่วยทำให้บุคคลอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เกี่ยวกับในอารมณ์ท้งไายไม่ทำตนเป็นคนขวางโลกและไม่เดือดร้อนเพราะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกซึ่งเป็นผลที่ต้องการ ในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระศาสนานี้ดังนั้นวิปัสนาปัญญาที่บางเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามเป็นการเสริมสร้างทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนให้เป็นความเห็นชอบหรือที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงซึ่งทำให้ ได้รับผลแห่งความรู้ความเห็นนั่นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป